เก้าสิแปนอสันทานซ้อนสันธานการเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไปเรวฟินเดวฟอร์ง รถไฟมาตรงเวลาก็จริงแต่คนแน่นเกินไปโรงแรมอยู่สบายก็จริงแต่แพงเกินไปเขานั่งรถเมลหรือไม่ก็นั่งรถไฟ เขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้า他จะมาเย l นหรือพรุ่งนี้เช้าเขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรมบเเธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ เธอเคยอยู่ทั้งในมดริและในลอนดอนเธอรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษเธอไม่ได้โง่เท่านั้นแต่ยังขี้เกียจอีกด้วย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 ดิฉันเล่นไม่ได้ทั้งเปียโนและกีตาร์ฉันเไม่ได้ทั้งวอลและแซมบ้า danser vals hverken samba ดฉันไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบัลเล่ฉันไม่ได้ทั้ง a l l e ละแซ l e t t ยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้น ber, blir ยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้นงดคีลนคนเรายิ่งแก่เท่าไหร่ก็ยิ่งเกียร์คร้านขึ้นเท่านั้น desto tryggere blir man.